เรื่องเล่าผีหลอนตอนแขกไม่ได้รับเชิญเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ว่าเราเป็นคนอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทํางานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนแห่งนี้ มีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่1 7ถึงหอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างเป็นห้องที่สองหลังห้องของเราเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่ต้นไม้ขึ้นรกมากยาวัชพืช ขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สาคัญร้านขายของชำก็อยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ซอยสามเวลาไปซื้อของเราก็จะยืมจักรยานของพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของ เราก็ปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วก็เห่าด้วยซึ่งมันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจั ก, กรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอยที่18ปรากฏว่าก็มีต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมา เราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกคราวนี้เราปั่นที่ซอย17ในขณะที่ปั่นไปนั้นก็คิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาหรือเปล่านะแล้วปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวแม้แต่เสียงเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮ้าส์องชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้น ใบไม้หล่นในบริเวณทาวเฮามีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้เป็นประจำแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามัน เสียง MSN กดดังขึ้นเพื่อนเราทักมาว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นก็ยังไม่ได้เปิดฝั่งเพื่อนเขามีกันอยู่ห้ถึงเคนเพื่อนก็ถามเราว่าอยู่กับใครเราก็บอกว่าอยู่คนเดียว พร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนๆดูพอคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพอพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วพอกลับมาก็ปรากฏว่าเพื่อนได้ปิดกล้องไปแล้วเราเลยถามว่าปิดกล้องทำไมเพื่อนก็ถามว่าอยู่กับใครเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีก ว่าเราอยู่กับใครกันแน่เราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำกลลองได้ค้างตรงที่หน้าห้องน้ำแล้วเห็นเรากําลังจะไปเข้าห้องน้ำก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนก็ส่งรูปมาเป็นหลักฐาน เราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันวันนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตื่นเช้ามาเราก็ไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เราก็เลยเอารูปให้ป้าดูป้าได้ดูสักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสาน มาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสักแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทาวน์เฮาส์ซอย17อยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แค่รอแล้วเธอก็ท้องอยู่ด้วยแล้ววันหนึ่งแฟนของเธอก็กลับมาเธอบอกว่าเขาท้องแต่แฟนของเธอ บอกให้เธอไปทำแทง้งเธอก็ไม่ยอมแฟนของเธอจึงเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยนั่นมันทำให้เธอคิดสัน้นวันต่อมาเพื่อนเพื่อนของเธอก็ออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอเพียงคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากจะพักเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอเพื่อนออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในทาวเฮานั้น กว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพกลับไปยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายได้ไม่นานเธอเฮียนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือเพียงแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งจะหยุดเฮี้ยนไปสามเดือนก่อนหน้าที่เราจะมาอยู่ เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอก็กลับบ้านกันหมดเหลือเราเพียงแค่คนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่นั้นเวลาน่าจะประมาณห้าโมงเย็นได้เราก็ได้ยินเสียงคนทุบ ป, ประตูห้องน้ำดังปังปังปัง เสียงดังมากมันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเสียงก็สะดุง้งตกใจมากแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราก็ได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเราก็ทําเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อแต่ก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริง แน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยนะเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้เราพูดออกมาด้วยความโมโหโไม่ทันได้คิดอะไรแล้วก็หลับไปคืนนั้นเราฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงดังกรกกรกที่บานเกล็ดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูก็เห็นเป็นมือเหี่ยว มีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันไปที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนทุบ ป, ประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบอีกสักพักก็เห็นเป็นเงาดๆ รูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอเราก็ตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าก็โทรไปให้น้องซื้อเราก็ซื้อด้วยห้าบาทเพราะเราเป็นคนไม่ชอบเล่นหวยแล้วพอวันหวยออกก็ปรากฏว่าถูกจริงๆ เราเลยโทรไปหาน้องน้องก็บอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้อะไรมากหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเราก็ยังไม่กลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนก็ทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆใบหน้าดูหมองโดนของหรือเปล่า เราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นๆหายหายแล้วมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราก็อยากกลับบ้านขึ้นมาสางันเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับ พอไปถึงบ้านยายก็ถามว่าทําไมดูผอมจังหน้าดูคล้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปวัดพอตื่นเช้ามายายก็พาไปวัดซึ่งวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระท่านก็พูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมอง ก็ไม่เห็นใครพระก็บอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงเราก็ถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านก็ตอบว่าตามมาจากที่ทางานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วยม พูดอะไรกับเขาไว้ล่ะเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมมาเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรพระท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราก็ตอบว่าใช่ค่ะพระท่านก็บอกว่า ไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายถามพระว่าพอมีทางแก้ไขไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันนี้ไม่งั้นเราตายแน่ท่านบอกว่าให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องให้ได้เจดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มารบกวนอีก เรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาตากับยายก็พาเราไปรถน้ำเจดวัตรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืมกด subscribe ช่อง